กษัตริย์เหล่านั้นก็รับพระราดํารัสแล้วก็เอาส่วนของเจ้าอังกุระให้แก่พระเชษฐภาคินีพระราชาทั้ง9้าพระองค์ก็ประทับอยู่ในกรุงทวาราวดีส่วนอังกุระนี้ประกอบการค้าบําเพ็ญมหาทานเป็นนิตยการก็คือให้ทานเป็นปกตินิสัย ก, ก็อังกุระนั้นมีทาสอยู่คนหนึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ขุนคลังมุ่งหวังประโยชน์เป็นเจ้าหน้าที่คนทํางานอย่างดีท่านอังกุระก็ชอบใจในนิสัยแล้วก็ไปขอกุลธิดา แม่ไม่ใช่ทาตแต่ตอนนี้พ่อก็ตายไปแล้วเด็กคนนี้เป็นทาตหรือไม่เป็นทาตก็เกิดการวินิจฉัยตีความกันขึ้นพนางอัญชนาเทวีได้ฟังอย่างนั้นก็ตรัสเปรียบเทียบโดยแม่โคโนมแล้วตรัสว่าแม้บุตรของมารดาผู้เป็นไทยบุตรก็ต้องเป็นไทยเท่านั้นดังนี้แล้วก็ให้พ้นจากความเป็นทาตไปคือสมัยก่อนนี่สมัยที่มียุคธาตใช่ไหมคนไทยนี้มาเลิกทาตเมื่อสมัยร5เอง ถ้าหากว่าไม่งั้นเนี่ยสมัยนี้ธรตามมาอาจจะเป็นทาสคนหนึ่งก็ได้มั้งดูทําเหตุมาไม่ได้ดีนักแต่ก็เพราะความอายเด็กจึงไม่อาจจะอยู่ในที่นั้นได้แล้วก็ได้ไปยังโรรุวะนะครในขณะไปก็พาธิดาของช่างหูกคนหนึ่งในนครนั้นไปด้วยไม่ไปคนเดียวอะ่ะพาผู้หญิงไปด้วยเลยเสร็จแล้วก็ไปเลี้ยงชีวิตด้วยอาชีพทอผ้าทีนี้ในสมัยนั้น ในเมืองโรรุวะนะครก็ได้มีมหาเศรษฐีชื่อว่าอาศัยหะอยู่ในโรรุวะนะครเขาได้ให้มหาทานแก่สมมาณพราหมณ์คนกัมพระคนเดินทางวันนิพกและยาจกทั้งหลายช่างหูกนั้นก็เกิดปีติโสมันัดเหยียดแขนขวาออกชี้ให้ดูนิเวศของอาศัยหะเศรษฐีแก่ชนผู้ไม่รู้จักเรือนของเศรษฐีว่าขอท่านทั้งหลายจงไปในที่นั้นแล้วจะได้สิ่งของที่ควรได้คือบ้านเขาเนี่ยเป็นทางผ่าน ที่จะไปบ้านของอาศัยอาศัยหาเศรษฐีผู้ให้ทานเพราะฉะนั้นคนก็จะมาถามว่าอาศัยบ้านอาศัยหาเศรษฐีอยู่ตรงไหนเขาก็จะชี้ด้วยความยินดีด้วยความเต็มใจด้วยความปราบเพื่มไปทางนั้นนะเมื่อท่านไปทางนั้นท่านจะได้อาหารสมความประสงค์หลังจากนั้นเขาก็ตายตายแล้วก็ไปเกิดเป็นรุกขเทวดาอยู่ในทะเลทรายแห่งหนึ่งอยู่ในทางกัณดานแห่งหนึ่ง คือเขาทําการละก็บังเกิดเป็นภูมิมะเทพพยดาที่ต้นสายต้นหนึ่งในมรุภูมิมือขวาของเขาได้ให้สิ่งที่น่าใคร่ทุกอย่างนะเขาพิพเศษบุญของเทวดาคนนี้เนี่ยเสกอะไรเป็นได้หมดเลยก็เหมือนสมัยนี้คนมีสตังเนี่ยกดปุ่มก็ได้แล้วไม่ยากนะมีบุญเหมือนกันนะกดแค่ปุ่มเนี่ยได้แล้วทุกอย่างก็จะได้เหมือนที่ที่คิดเสื้อผ้านะสมัยก่อนนี่เราคิดเออเขาสอยเอานะฟังแล้วไม่เชื่อ ทุวันนี้ถ้าเราไปซื้อเสื้อผ้าบางแห่งต้องสอยเอาเนาะนั่นแหละก็เหมือนเหมือนกันนั่นแหละยกคคนมีบุญกับยุคสมัยนี้ก็ไม่ได้ต่างอะไรกันนักหรอกก็มีบุรุษคนหนึ่งเนี่ยเป็นคนขวนขวายในทานของอาศัยหาเศรษฐีแต่ก็ไม่มีศรัทธาไม่มีความเลื่อมใสเป็นมิจฉาทิถิไม่เอื้อเฟื้อต่อการทําบุญทํากาละแล้วก็ไปบังเกิดเป็นเปรตลูกน้องคนสนิทของเศรษฐีนั่นแหละตายไปเกิดเป็นเปรตไม่ไกลแต่ที่อยู่ของเทพบุตรนั้นนะน่ะ วิมานเทวดาก็อยู่ใกล้ๆกับวิมานเปรตนั่นแหละก็กรรมที่เขาทํามาแล้วในภาพบาลีนั่นแหละฝ่ายอาศัยหาเศรษฐีทํากาลละแล้วก็เข้าถึงความเป็นเพื่อนของเท้าสักกเทวราชในสวรรค์ชั้นดาวดึงทีนี้สมัยต่อมาเจ้าอังกุระบรรทุกสินค้าด้วยเกวียน500เล่มและก็พราหม์คนหนึ่งก็บรรทุกสินค้าไปด้วยเกวียนอีก500เล่มรวมความว่าชนทั้งสองบรรทุกสินค้าด้วยเกวียน 1,000 เล่มเดินทางไปยังมะ ไอมรุกันดานพากันหลงทางเที่ยวไปในที่นั้นนั่นเองหลายวันจนหมดหญ้าน้ําและอาหาร น, นะมันเป็นทะเลทรายอย่างนั้นอนะ่ะเที่ยวไปก็หญาก็หมดน้ําก็หมดอาหารก็หมดเจ้าอังกุระก็ให้ทูตมาเนี่ยสแสวงหาน้ําดื่มทั้งสี่ทิศทีนี้ลําดับนั้นเทพผู้มีมืออันให้สิ่งที่ต้องการองค์นั้นเห็นชนเหล่านั้นได้รับความโวอดวายอันนั้นเข้าจึงคิดจะอุปการะที่เจ้าอังกุระกระทาไว้แต่การก่อน แต่ตนก็คือนึกถึงบุญคุณของเจ้าอังกุระใช่ไหมว่าอังกุระนี้ก็คือนายเก่าซึ่งเป็นเจ้านายของพ่อเพราะพ่อของเป็นทาสของเจ้าอังกุระก็เลยคิดว่าเอาเถอะบัตรนี้เราจะให้ที่พึ่งของเจ้าอังกุระดังนี้แล้วก็ได้ชี้ให้ดูต้นทรายอันเป็นที่อยู่ของตนได้ยินว่าต้นทรายนั้นสมบูรณ์ด้วยกิ่งและขาครบมีใบทึบมีร่มเงาสนิทมีย่านหลายพันย่าน ว่าโดยความยาวกว้างและสูงประมาณหนึ่งยอดเจ้าอังกุระเห็นดังนั้นแล้วเกิดความหันสาร่าเริงตั้งขายภายในต้นสายนั้นเทวดาก็เหยียดมือขวาของตนออกให้คนทั้งหมดอิ่มน้ำด้วยน้ำดื่มเป็นอันดับแรกก่อนต่อแต่นั้นก็ให้สิ่งของที่เขาปรารถนาเทวดานี่ก็ออกมาช่วยเหลือที่ตรงนั้นเหมือนกับมีห้างสรรพสินค้าอยู่ตรงนั้นอ่ะอยากได้อะไรก็เอาออกเอาออกได้หมดเลย อยากได้เสื้อผ้าอยากได้อาหารก็กดเอาก็เหมือนกับซูเปอร์มาร์เก็ตใหญ่ๆอย่างนั้นน่ะเหมือนกับมีห้างไปตั้งอยู่ตรงนั้นพอดีเลยอ่าเมื่อมหาชนอิมน่มหนำตามความต้องการด้วยข้าวน้ำเป็นต้นานานานชนิดอย่างนี้ภายหลังเมื่ออันตรายในหนทางสงบลงแล้วพรามผู้เป็นพ่อค้านั้นใส่ใจโดยไม่แยบคายอโยนิโสมนสิกานะเรียกว่าคนชั่วพอได้เพตปัจจัยพร้อมความคิดชั่วก็เกิดขึ้นเขามีความคิดว่าเรา จากนี้ไปยังเคว้นกัมโพชาแล้วจะทําอะไรก็ไปเพื่อให้ได้ทรย์เนี่ยพวกเรามาค้าขายก็เพื่อมาหาทรัพย์ใช่ไหมแต่เราจะพาเทพนี้แหละไปด้วยอุบายอย่งางใดอย่างหนึ่งขึ้นสู่ยานไปยังนครของเราคันคิดอย่างนี้แล้วก็บอกความนั้นแก่เจ้าอังกุระแม่ก็เรียกว่าอะไรเอาตัวเทพไปด้วยดีกว่ากลับบ้านกลับเมืองเลยเอาเทวดาไปด้วยเสร็จแล้วอยากได้อะไรก็ให้เทวดาเสกให้เขมีความคิดอย่างนี้นะก็เลยบอกว่า พูดกับเพื่อนอังกุระว่าเราทั้งหลายที่เอาหาทรั์ไปสู่แคว้นกัมโพชะเพื่อประโยชน์ใดเทพบุตรนี้เป็นผู้ที่ให้สิ่งที่เราอยากได้นั้นเราจากนําเทพบุตรนี้ไปหรือจะจับเทพบุตรนี้คมขีด้วยการวิงวอนหรืออุ้มใส่ ย, ยานไปสู่ทวารกะนครโดยเร็วเอาเท ว, วดากลับไปด้วยดีกว่าอังกุระพอพราหมณ์พูดอย่างนี้เข้าก็ตั้งอยู่ในศัพทบริษธรรมคนดีก็คิดแบบดีคนชั่วก็คิดแบบชั่วว่า เมื่อจะปฏิเสธคำกล่าวนั้นบอกว่าบุคคลอาศัยนั่งนอนที่ร่มเงาของต้นไม้ใดไม่ควรจะหักรานกิ่งของต้นไม้นั้นเพราะการประทุสร้ายมิดเป็นความเลวทรามอธิบายว่าต้นไม้ที่มีร่มเงาเยือกเย็นอันใดย่อมบรรเทาความกระวนกระวายของคนผู้ถูกความร้อนแผดเผาใครๆไม่ควรคิดร้ายต่อต้นไม้นั้นจะป่วยกล่าวไปใหญ่ถึงหมูสัตว์เล่า ท่านแสดงว่าเท พ, พบุตรนี้เป็นสัตบุรุษเป็นบุพการีบุคคลใช่ไหมเทวดาคนนั้นเป็นบุพการีเป็นผู้ช่วยเหลือเกื้อกูลถ้าหากว่าไม่ได้เทพพยายดานี้ชีวิตของพวกเราต้องตาอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นเป็นผู้บรรเทาทุกข์เป็นผู้มีอุปการะแก่เราทั้งหลายเราไม่ควรคิดร้ายอะไรอะไรต่อเทพปบุตรนั้นโดยที่แท้เทพปบุตรนั้นเราควรบูชาโดยทีเดียวพราหมณ์ได้ฟังอย่างนั้นก็คิดว่ามูลเหตุของประโยชน์เป็นเหตุ กำจัดความคดโกงอย่างนี้แล้วก็อาศัยทางอันเป็นแบบแผนตั้งอยู่ในความขัดแย้งต่อเจ้าอังกุระก็กล่าวว่าบุคคลอาศัยนั่งนอนที่ร่มเงาของต้นไม้ใดพึงตัดแม้ลำต้นของต้นไม้นั้นได้ถ้ามีความต้องการเช่นนั้นนะเขาก็คิดว่าไม่มีความจําเป็นอะไรที่จะต้องไปเทิดทูลบูชาทีนี้อังกุระปะเพื่อจะ ประคองสัพปริสธรรมจึงกล่าวว่าบุคคลอาศัยนั่งนอนที่ร่มเงาของต้นไม้ใดไม่พึงทําลายแม้ใบของต้นไม้นั้นเพราะการประทุสร้ายต่อมิตรเป็นความเลวทรามพราหมณ์เมื่อจะประคองวาท่าของตนแม้อีกก็จะกล่าวว่าบุคคลอาศัยนั่งนอนที่ร่มเงาของต้นไม้ใดพึงถอนต้นไม้นั้นพร้อมทั้งรากได้ถ้ามีถ้าพึงประสงค์เช่นนั้นนะ อสัตบุรุษก็จะคิดแบบอสัตบุรุษสัตบุรุษก็คิดแบบสัตบุรุษเจ้าอังกุระมีความประสงค์จะทำแบบแผนนั้นให้ไร้ประโยชน์อีกจึงกล่าวานะว่านะว่าไอความคิดของท่านไม่ถูกนะก็บุรุษพึงพักอยู่ในเรือนของบุคคลใดตลอดราตรีหนึ่งหรือพึงได้ข้าวน้าในที่ใดไม่ควรมีจิตคิดประทุสร้ายต่อบุคคลนั้น ความเป็นผู้กตันยูอันศัตว์บุรุษทั้งหลายสารเสริญแล้วบุคคลพึงพักอาศัยในเรือนของบุคคลใดแม้เพียงคืนเดียวพึงได้รับการบำรุงด้วยข้าวและน้ำไม่ควรมีจิตคิดประทุสร้ายต่อบุคคลนั้นบุคคลมีมือไม่เบียดเบียนย่อมแผดเผาบุคคลผู้ประทุสร้ายต่อมิตรบุคคลใดทำความดีไว้แต่ปางก่อนภายหลังเบียดเบียน ด, ด้วยความชั่วผู้นั้นเป็นคนอกตัญญู ย่อมไม่พบเห็นความเจริญทั้งหลายนะคือบุคคลที่มีจิตคิดร้ายต่อสิ่งที่ไม่ดีคือสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อบุคคลนั้นเนี่ยก็ได้แก่เป็นผู้ที่ไม่มีความรักใคร่จะป่วยกล่าวไปใหญ่ถึงกายวาจาเล่าหากมีคาถามว่าข้อนั้นเพราะเหตุไรตอบว่าเพราะความเป็นผู้อกตันยูอันสัตว์บุรุษทั้งหลายสารเสริญแล้ว อธิบายว่าขึ้นชื่อว่าความเป็นผู้กตันยูอันสัตบุรุษผู้สูงสุดมีพระพุทธเจ้าสารเสริญแล้ว น, นะจกะกกตันยูตากาเลนธรรมมัสวนังเอตัมมังคลมุตตัง น, นะนการกรตันยูรู้คุณก็เป็นอุดมมงคลคือเป็นเหตุให้ถึงความเจริญอันสูงสุดอย่างหนึ่งด้วยเหมือนกับที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าผู้ใดประทุษร้ายต่อนาชชนผู้ไม่ประทุสร้ายผู้เป็นคนบริสุทธิ์ ไม่มีกิเลสเครื่องยียวนความชั่วย่อมกลับมาถึงบุคคลผู้นั้นซึ่งเป็นคนพ่านแน่แท้เหมือนธุรีอันละเอียดที่บุคคลซัดไปทวนลมฉะนั้นพรามนั้นถูกเจ้าอังกุระผู้ยกย่องสัพบริสธรรมกล่าวคมคู่อย่างนี้ก็เป็นผู้นิ่งนะเขาพูดมีเหตุผลกว่าก็ต้องเงียบฝ่ายเทพบุตรก็ฟังคาโต้อตอบของคนทั้งสองคนแม้จะโกรธต่อพรามก็เลยคิดว่าเออช่างเอะ เดี๋ยวภายหลังเราจะรู้กรรมที่ควรทำแก่พรามเทวดาเนี่ยโกรธแล้วผู้ประทุษาร้ายนี้เมื่อจะแสดงภาวะที่ตนนี้ใครๆคมคูไม่ได้เป็นอันดับแรกจึงกล่าวว่าไม่เคยมีเทวดาหรือมนุษย์หรืออิสริยชนคนใดจะมาคมคูเราได้โดยง่ายเราเป็นเท พ, พเจ้าผู้มีอิทธิฤทธิ์อย่างยอดเยี่ยมเป็นผู้ไปได้ไกลสมบูรณ์ด้วยรัศมีและกาลัง เทวดาเนี่ยก็บอกโอ้ใครจะมาทำอะไรเราได้อังกุระพ่อคาและเทพระบุตรก็ได้สนทนากันว่าเทวดานี่พอเห็นผลของบุญเข้าก็เลยถามว่าอังกุระนะฝ่ามือของท่านมีสีเหมือนทองคำทั่วไปทรงไว้ซึ่งวัตถุที่บุคคลปรารถนานิ้วทั้งห้าเป็นที่ไหลออกแห่งวัตถุมีรสอร่อยวัตถุมีรสต่างๆย่อมไหลออกจากฝ่ามือของท่านข้าพเจ้าเข้าใจว่าท่านเป็นเท้าสกกะ โอ้ท่านมีบุญมากนะสงสัยท่านเป็นพระอินม์มั้งลุกเทวดาก็บอกว่าเราไม่ใช่เทพพระเจ้าไม่ใช่คนท่านไม่ใช่เท้าสั ก, กะปุรินทท ะ, ทะดูก่อนเจ้าอังกุระท่านจงทราบว่าเราเป็นเปรตจุติจากโรรวุวานครมาอยู่ที่ต้นใสต้นนี้ก็คือที่จริงก็เป็นลุกเทวดาลุกเทวดาอีกชื่อหนึ่งเขาใช้คําว่าเปรตใช่ไหมถามว่าที่ใช้คําว่าเปรตเพราะอะไรเพราะยังหิวต่อการมาคุณอยู่ตลอด ก็บอกว่าเป็นผู้ที่จะต้องอาศัยกามคุณอยู่อังกุระพ่อค้าก็ถามว่าเมื่อก่อนท่านอยู่ในโรรุวะนะครท่านมีปกติอย่างไรมีความประพฤติอย่างไรผลบุญสำเร็จที่ฝ่์มือของท่านเพราะพรหมจรรย์อะไรทำบุญอะไรมารุกเทวดาตอบว่าเมื่อก่อนเราเป็นช่างหูกอยู่ในโรรุวะนะครเป็นคนกําพระเลี้ยงชีวิตด้วยความลาบากนะักเราไม่มีอะไรจะให้ทาน เรือนของเราอยู่ใกล้เรือนของอาศัยหะเศรษฐีซึ่งเป็นคนมีศรัทธาเป็นฐานะบดีมีบุญอันทำแล้วเป็นผู้ละอายต่อบาป พ, พวกยาจกวณิพกมีนามและโคดต่างๆกันไปบ้านของเรานั้นพากันถามถึงเรือนของอาศัยหะเศรษฐีกะเราว่านะพวกคนขอทานอ่ะนะไปหาบ้านไม่รู้ทางก็ถามว่าขอความเจริญจงมีแก่ท่านทั้งหลายพวกเราจะไปทางไหน ทานเขาให้กันที่ไหนเราถูกพวกยาจกวนิพกถามแล้วได้ยกมือเบื้องขวาชี้บอกเรือนอาศัยหาเศรษฐีแก่ยาจกวนิพกเหล่านั้นว่าท่านทั้งหลายจงไปทางนี้ความเจริญจักมีแก่ท่านทั้งหลายทานเขาให้อยู่ในที่นั้นเพราะเหตุนั้นฟาร์มือของเราจึงได้ให้สิ่งที่น่าปรารถนาะที่ไหลออกแห่งวัตถุมีรสอร่อยผลบุญย่อมสําเร็จที่ฝ่ามือของเราเพราะพรหมจรรย์อันนั้น นนะก็คือวัตถุที่น่าปรารถนาสำเร็จด้วยบุญที่ชี้ทางบอกคนอื่น น, นะชี้ทางบุญอ่ชี้ทางให้เขาไปรับผ่านด้วยจิตใจที่ที่หวังดีด้วยจิตใจที่ปรารถนาดีในขณะนั้นกุศลจิตก็เกิดใช่ไหมชี้ทางให้คนอื่นด้วยเมตตาจิตเนี่ยกุศลจิตก็เกิดสรุปแล้วเขาได้ทำกรรมไว้กรรมอ น, นันเนี่ยทำให้ให้ผลคือ เนรมิตอะไรก็ได้ด้วยมือนั้นอังกุระพ่อค้าก็ถามว่าได้ยินว่าท่านไม่ได้ให้ทานแก่ใครๆด้วยมือทั้งสองของตนเป็นแต่เพียงอนุโมทนาทานของคนอื่นยกมือชี้บอกทางให้เพราะเหตุนั้นฝ่ามือของท่านจึงให้สิ่งที่น่าปรารถนาะเป็นที่ไหลออกแห่งวัตถุมีรสอร่อยผลบุญย่อมสำเร็จที่ฝ่ามือของท่านเพราะพรหมจรรย์นั้นพรหมจรรย์ในที่นี้หมายถึงบุญ ข้าแต่ท่านผู้เจริญอาศัยหาเศรษฐีผู้เลื่อมใสได้ให้ทานด้วยมือทั้งสองของตนเขาละร่างกายมนุษย์แล้วไปทางทิศไหนหนออยากรู้ว่าเศรษฐีเนี่ยเขาไปเกิดที่ไหนลุ ก, กะเทวดาก็ตอบว่าเราไม่รู้ทางไปหรือทางมาของอาศัยหาเศรษฐีผู้เป็นเจ้าของแห่งทานผู้มีรัศมีสั้นออกจากตนแต่ว่าเราได้ฟังมาในสำนักของท้าวเวสวรรว่า อาศัยหาเศรษฐีถึงความเป็นสหายแห่งเท้าสักก ะ, ะเจ้าของทานจริงๆนู่นไปเกิดเป็นเพื่อนพระอินนุนอังกุระพ่อค้าก็กล่าวว่าบุคคลควรทำความดีแท้ควรให้ทานตามสมควรใครได้เห็นฝ่า ม, มืออันให้สิ่งที่น่าใคร่แล้วจักไม่ทำบุญเล่าโอ้ยเห็นผลของบุญแล้วก็น่าน่ า, นาทำจริงๆเหมือกันเราไปจากนี้ถึงทวารกะนครแล้วจักรีบให้ทานอันจักนาความสุขมาให้แก่เรา แน่แท้เราจะให้ข้าวน้ำผ้าเสนาสนะบ่อน้ำและสะพานในที่เดินไปได้ยากเป็นฐานดังนี้โอ้ยพอมองเห็นผลของบุญเข้าใครบ้างไม่อยากทำบุญเนรอคือข้อความตรงนี้เป็นอัตถกถาส่วนที่ขยายบทแต่ละคาแต่ละคาไม่อ่านเมื่ออังกุระพาณิชทาปฏิญาณว่าเราจะให้ทานอย่างนี้แล้วเทพบุตรก็มีใจยินดีกล่าวว่าท่านผู้นิรุต ท่านเป็นผู้เสียสละจงให้ทานเถิดส่วนเราจักทำหน้าที่เป็นสหายของท่านทายาทยธรรมของท่านจักไม่ถึงความหมดเปลืองด้วยประการใดเราจักทาโดยประการนั้นโอ้โหเทวดารับคําเลยท่านไม่จนแน่ท่านทําไปเถอะเดี๋ยวผมช่วยเหลือเองงแล้วก็ให้อังกุระพาณิสนั้นอาจฐานในการบําเพ็ญทานเสร็จแล้วก็กล่าวว่าดูก่อนพรามณ์พ่อค้าพาณิสแปลว่าพ่อค้า ได้ยินว่าท่านปราถนาจะนำคนเช่นเราไปโดยพละการช่างไม่รู้จักประมาณของตัวอย่างนี้แล้วก็ให้สินค้าของพรามนั้นอันตรธานไปหมดสิน้นแล้วก็ขู่ให้พ่อค้านั้นกลัวด้วยอาการที่น่าสะเพงกลัวว่าเป็นยักษ์เนรมิตตัวเองเป็นยักษ์ขึ้นมาทันทีเลยทรัพย์สินของพรามนั้นหายไปหมดเกลี้ยง ครั้งนั้นอังกุระพ่อค้าก็อ้อนวอนกระเทพบุตรนั้นโดยประการต่างๆเมื่อจะให้พราหมณ์นั้นขอขมาโทษให้เลื่อมใสจึงนําสินค้าทั้งหมดให้กลับเป็นปกติเมื่อใกล้ค่ําก็ละเทพบุตรไปอยู่เห็นเปรตตนหนึ่งที่ตนเห็นเข้าน่ากลัวยิ่งนะักในที่ไม่ไกลแห่งเทพบุตรนั้น น, นะพอพ้นจากเทพบุตรไปหน่อยก็เห็นเปรตแต่เป็นเห็นเปรตตนนั้นเนี่ย น่ากลัวยิ่งนักในที่ไม่ไกลแห่งเทพพบุตรนั้นเมื่อจะถามกรรมที่เปรตนั้นทําจึงกล่าวว่าเพราะเฮรายนิ้วมือของท่านจึงงอหงิกปากของท่านจึงเบี้ยวในตาของท่านจึงทะเล้นออกท่านได้กรรมทําชั่วอะไรเอาไว้ทําชั่วอะไรเนาะปากบิด <c oughs> ตาเนี่ยทล้นออกมานอกเบ้าเลยนะเหมือนตาปูอย่างนั้น <c oughs> ครั้งนั้นเปรตก็ได้กล่าวตอบว่าเราเป็นเครหะบดีอดีตชาติเราก็เป็นผู้มีทรัพย์นะเป็นเศรษฐีเหมือนกัน เรานี้เป็นครหะบาดีตั้งไว้ในการให้ทานในโรงทานของท่านครหะบาดีผู้มีอังคีรสผู้มีศรัทธาเป็นคารวาสครอบครองเรือนก็คือที่จริงเราก็เป็นฐานะคนมีฐานะเหมือนกันแต่ก็เ ป, เป็นเป็นลูกน้องของอาศัยหาเศรษฐีใช่ไหมเขาก็แต่งตั้งให้เป็นเจ้าหน้าที่คอยให้ทานเหมนกันเห็นยาจกผู้มีความประสงค์ด้วยโภชนะมาที่โรงทานนั้นได้หลีกไปด้วยการบุ้ยปากอยู่ณที่ข้างหนึ่ง ไปทำปากเบี้ยวอะนะค้าดูถูกดูหมิ่นเยียดยามพวกพวกขอทานพวกยาจกวันนี้พกเหล่านั้นเพราะกรรมนั้นนิ้วมือของเราจึงงองอีกปากของเราจึงเบี้ยวในตาของเราก็ทะเล้นออกมาเราได้ทำกรรมชั่วนั้นเอาไว้อ่นะเขบอกว่าเมื่อการทานปรากฏอ่นะคือคือเราเนี่ยถูกเจ้านายแต่งตั้งเอาไว้ในหน้าที่ทาน ทีนี้เมื่อการละทานปรากฏเราก็มีความตนีครอบงำลีกออกจากโรงทานทำเท้างองิกเมื่อจะให้ทานด้วยมือของตนก็ไม่ได้ทำอย่างนั้นทำมืององิกเมื่อควรจะมีหน้าผ่องใสก็ทำหน้าเบี้ยวเมื่อควรจะแรดูด้วยในตาอันน่ารักก็ได้ทำเกิดในตาทะเลนออกมาเพราะฉะนั้นเราจึงมีนิ้วมือนิ้วเท้างองิกปากเบี้ยวสยิ้วผิดรูปอธิบายว่า ในตาทั้งสองหลั่งน้ำตาออกมาไม่สะอาดมีกลิ่นเน่าเหม็นน่าเกลียดเพรา ะ, ะเปรตจึงกล่าวว่าเพราะกรรมนั้นมือของเราจึงงองงิกปากเบี้ยวในตาทั้งสองของเราก็ถลนออกมาเพราะได้ทำกรรมชั่วอันนั้นเอาไว้เนี่ยผลของกรรมเวลามันให้ผลเนี่ยมันเจ็บแสบอย่างนี้แหละแม้แต่ย่ว่าเปรตเลยนะมนุษย์เนี่ยยงมีรูปร่างเหมือนกับเปรตอย่างนี้ก็ไม่ใช่น้อ ย, อยเลยถ้าเรารู้จัก คนหลายประเภทหลายๆชนิดดูจริงๆว่าคนที่ไม่น่าเป็นอย่างนั้นก็เป็นอย่างนั้นไม่น่ามีชีวิตอยู่ได้ก็มีชีวิตอยู่บางคนเนี่ยพอมเหมือนเปรตเลยเหมือนกับเปรตเดินได้ดีๆนี่เองแต่ก็ยังไม่ตายอ่ะก็อยู่อย่างนั้นแหละบางคนเนี่ยตาเนี่ยถลนออกมาบางคนเนี่ยขอมมาเคยเห็นเนี่ยตาเนี่ยแมลแรงวีอะไรเนี่ยมาตอมทีนี้อาจะรักษามันก็ไม่มีเงินพอที่จะไปรักษาไปหาหมู่หาหมอได้ก็อยู่อย่างนั้นแหละแมลแรงวีมาแรงวันก็ตอมอยู่นั่นแหละ อังกุระพาณิชได้ฟังอย่างนั้นก็เลยติเตียนว่าเนี่ยบุรุษเลวทรามการที่ท่านมีปากเบี้ยวในตาทั้งสองถลนออกมาเป็นการชอบแล้วเพราะท่านได้กระทำการบุ้ยปากต่อทานของคนอื่นอังกุระพาณิชจะติเตียนฐานบดีของเศรษฐีนั้นอีกว่าก็ฉนัยอาศัยหาเศรษฐีเมื่อจะให้ทานจึงได้มอบข้าวน้าของเคี้ยวผ้าและเสนาสนะให้ผู้อื่นจัดการ ทีนี้อังกุระก็ตั้งใจว่าตัวเองเนี่ยจะไม่ทำเหมือนอาศัยหาเศรษฐีจะไม่ใช้ให้คนอื่นให้แทนก็แสดงว่าเราไปจากที่นี้ถึงทวรารกะคนครแล้วจกเริ่มให้ทานอันนำความสุขมาให้แก่เราแน่แท้เราจะให้ข้าวน้ำผ้าเสนาสนะบ่อน้ำสระน้ำและสะพานในที่เดินลำบากให้เป็นทาน ทีนี้พระสังคีติกาจารย์ได้กล่าวคาถาว่าอังกุระพานิทนั้นกลับจากทะเลทรายนั้นไปถึงทวารการคนครนั้นแลว้วได้เริ่มให้ทานอันนําความสุขมาให้ตนได้ให้ข้าวน้ําผ้าเสนาสนะบ่อน้ําสระน้ําด้วยจิตอันเลื่อมใสช่างกระระบบพ่อครัวชาวมาคตพากันเป่าร้องในเรือนของอังกุระพาณิทนั้นทั้งเชา้าทั้งเย็นทุกเมื่อว่าใครหิวจงมากินตามชอบใจ ใครกระหายจงมาดื่มตามชอบใจใครจักนุ่งห่มผ้าจงนุ่งห่มผ้าใครต้องการพาหนะสำหรับเทียมจงเทียมพาหนะในคู่แอกนี้ใครต้องการร่มจงเอาร่มไปใครต้องการของหอมจงเอาดอกไม้ไปใครต้องการรองเท้าจงเอารองเท้าไปก็ให้ทานใหญ่เลยคือไปไปเห็นเปรตมากับตาของตัวเองเห็นเทวดามากับตา ต, ตัวเองก็มีความมั่นคงในเรื่องกรรมขึ้น ว่าเราจะต้องไม่ตกต่ำ ง, งั้นเราจะต้องไปดีให้ได้อังกุระพาณิชย์บำเพ็ญมหาทานอย่างนี้เมื่อเวลาผ่านไปโรงงานก็หางเหินเงียบสงดจากผู้คนต้องการเพราะเป็นผู้อิ่มนนำแล้วเอ้การงานเนี่ยเสรษฐีให้ทานมากขนาดนี้คนเนี่ยไม่ค่อยทำงานแล้วจะกินแต่ทานอย่างเดียวอังกุระพาณิชย์เห็นดังนั้นก็ไม่พอใจก็คือพอพ อ, พอคนเนี่ยได้รับทานมากเข้ามากเข้าเอ้ ไม่มีใครมารับทานเอาอีกเศษถีนี่ก็ชักไม่สบายใจแล้วเพราะเป็นผู้อัธยาศัยกว้างขวางในการให้อย่าลืมนะว่าเขาไม่ได้รวยธรรมนาเพราะเขาต้องเขามีภาษีกินอยู่ภาษีจากพี่น้องเก้าคนเนี่ยส่งมาให้เขาแล้วเขาก็ค้าขายด้วยเราเป็นมหาเศรษฐีอย่างร่ำรวยมากมายทีนี้เขาก็เรียกมานบชื่อว่าสินธะผู้ขวนขวายในทานของตนเรียกสมินเรียกเลขามาว่า มหาชนรู้เราว่าอังกุระนอนเป็นสุขดูก่อนสินธกะเราเนี่ยนอนเป็นทุกข์นะตอนนี้เนี่ยนอนเป็นทุกข์ละเพราะไม่ได้เห็นพวกอยาจกมหาชนรู้เราว่าอังกุระนอนเป็นสุขดูก่อนสินธกะเรานี่นอนเป็นทุกข์ในเมื่อวันนี้พกมีน้อยคนมารับทานน้อยเนี่ยเจ้าของทานก็ชักจะทุกข์เหมือนกันนะมันเคยเห็นนะโยม บ, บางคนเขานีมนพระเนี่ยต้องการจะเลี้ยงพระเยอะๆเห็นพระมาสองค์เนี่ยโอ้ยหงอยเลยนี่บางคนเนี่ยเป็นยังไง สินธากะมานพได้ฟังอย่างนั้นแล้วมีความประสงค์จะ ก, กระทําให้อังกุระพานิสน้อมไปในฐานอันยิ่งก็กล่าวว่าเทา้าสกะเป็นใหญ่กว่าชา ว, วดึงกว่าเทวดาชาวดาวดึงเนี่ยและเป็นใหญ่กว่าชาวโลกทั้งปวงพึงให้พรแก่ท่านเมื่อท่านจะเลือกท่านจะเลือกเอาพอรเช่นไรนะถ้าจะเอาพอรนี่จะเอาพอรอย่างไรดีถ้าเทวดาจะให้พอรอธิบายว่าเท้าสั ก, กะผู้เป็นใหญ่กว่าเทพชั้นดาวดึง และกว่าชาวโลกทั้งมวลหากจะพึงให้พรแก่ท่านว่าอังกุระท่านจงขอพอรอย่างใดอย่างหนึ่งที่ท่านตั้งใจเอาไว้ท่านเมื่อจะขอพอรคือเมื่อปรารถนาพึงขอพอรเช่นไรลำดับนั้นอังกุระพาณิศประกาศอัธยาศัยของตนตามความเป็นจริงว่าถ้าเท้าสกะผู้เป็นใหญ่กว่าเทวดาชั้นดาวดึงพึงให้พรแก่เราไซาเราจะพึงขอพอรว่า เมื่อเราลุกขึ้นแต่เชา้าในเวลาพระอาทิตย์ขึ้นขอพัฒตาหารอันเป็นทิพย์และยาจกผู้มีศีลพึงปรากฏเมื่อเราให้ทานอยู่ายาทายธรรมไม่พึงสิ้นไปครั้นเราให้ทานนั้นแล้วไม่พึงเดือดร้อนในภายหลังเมื่อกําลังให้อยู่พึงยังจิตให้เลื่อมใสข้าพเจ้าขอพรกะเท้าส ก, กะอย่างนี้ ขอพรขอให้มีอาหารทิพย์ขอให้มียาจกมาแล้วก็ขอให้ได้ให้ทานให้เสร็จก็ไม่ต้องเสียใจในภายหลัง น, นะส่วนที่สำคัญที่สุดที่ธรรมารู้สึกประทับใจมากก็คือทำกุศลแล้วไม่เดือดร้อนใจในภายหลัง น, นะเพราะว่าแม้แต่พระเวสสันดรเองเนี่ยท่านขอพรจากพระอินทร์ในพระเวสสันดรชาดกพอพระอินทร์ให้พรท่านก็มีอยู่ข้อหนึ่งบอกว่า ขอบุญที่ท่านทําไปแล้วเนี่ยท่านอย่าได้รู้สึกเสียใจในภายหลังรู้อย่าได้มีความรู้สึกว่าเสียดายในภายหลังเลยงงเพราะว่าการเสียดายในภายหลังที่ให้ทานเนี่ยมีโทษนะมีโทษไอ้บุญเนี่ยมันก็สําเร็จไปแล้วแหะใครทําเมื่อไหร่ทําที่ไหนมันก็สําเร็จไปแล้วละ่ะแต่ที่เสียดายนั่นแหละมันบันทอนบุญเพราะเพราะอะไรเพราะความเสียดายอันนั้นเป็นเหตุให้เกิดมัจฉริยะต่อไปในอนาคต